คืมีการกาส่วนแต่ความตัวว่าที่เรามาบอกว่าไม่มีการส่วนแค่ายนานทางแต่ไม่มีเท่าใดเล้วยความที่ไม่ข้าใจตรงนี้เองดยความที่เรต้องใสคุณบการคำนวักณอย่างนี้จากสาเร็จไปบนและสาเร็จไปหแก่ั้นที่ไปด้วยใจที่เราบบที่มีส่วนให้นนไปหัวนล้นะ กะมองเหินชื่เป็นตัวตามที่รองามตา่ามาได้อธิบัยตามีลธรรมอาตมากำลังมาตัวทำในแบบนี้คือการความกุศลที่กุศลออาตมายึดถือข้อปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่คำคำที่กลางที่เป็นคำที่มโนกุศลมโนถูกที่โภคมาพิสุทสดพร้อมทั้งญาติทั้งหลายได้ร่วมกัน เรื่องราวของยาความเป็นพ <med S 1> <Wow. S 2> <alright> ิสูจน์ในวันแรกทางด้านการอยู่ในขั้อสูงที่ว่าติโกขั้นสูงตโกขั้นสูนี้เป็นสูตรที่คุณได้เอาสอนได้เอาที่สามเรื่องของการเป็นพิส่จน์ที่แก่เปรียที่เปรียบยากซึ่งรักชีวิตไปแล้วยาวนานแล้วเกรียเหล่านี้มีใจความผลบุญากมนุษย์ ซึ่งมลในเขาคือพระเจ้าิสาเป็นญาตของเปลอกนั้นด้วยความทุกข์เปลอนี้วางัุคือเขาด้งชื่อหรือความญาติของป่มาเป็นระยะเวลายาวานเป็นระยะารเวลายานในทุก้าวสามพระองค์ไม่เคยเล่าุญกุศลอยาใเลยเพราะไม่มีญาติของหลวในโลกนี้ไม่มีใครทำบุีให้เ็วุต่อเจ้าพระนารายณ์แต่ลสัาก็ไม่ไดุ้ญ เูพิทเจ้ามาว่ากรุสันากบอกว่าโอกาที่ใจเล่ดุในเวลานี้ยังมีได้เพราะว่าญาที่เป็นบรรลไม่ได้เกิดทมเลย่ใ้ไม่ได้โองไถามู้พิทเจ้าโองต่อไปว่าใจ่าพุทธล่รพิทเจ้านรุสรนากนนี้าพทเจ้าโองต่อมาคือพระโรุึเปลตอนนี้ก็มีใจกาว่าเออพทเจ้าองก่อน บอก้ราไปถพี่เจ้าโอ๋นี้เพราจะได้รับบุญในศาสนาของพระเจ้าโอนี้หรือเปล่าก็เลยเขาไปหาองเขาไปหาพเจ้ามาถามว่าโคนทำาะไรีเจ้าโนาทะก็บอกว่าโอกาสที่จะได้รับผลบุญในเวลานี้ไม่ได้เพราะยากยังไม่มาเกิดในโลกนี้เต่ก็เลยสิ้นหวังีก็อใจรอเบอกมองไปถามพระเจ้าโอก่อนเถอเป็น็ีลคนใจรออีกจนกว่าพระเจ้าโกวิศากบาคือ กุญแจนาวากระสับปัดกวาดพุ่มไม้ก็เลยาไปามจนาารสับปัดกุญเจนาวากระสับปัทรงเลงทายาทูเมื่อเลงทายาทูก็ทราบได้ว่าเปรเหล่านี้จะไม่สามารถรับผลบุญในยุคสมัยของกุญเจ้าวากระสับปัได้เพราะพุ่มจะมาเกิดโยมในกาตนี้แต่ญาตของเปรตเหล่านี้จะมงเกิดเป็นมนุษย์ในยุคของกุญเจ้าวาสาโ เอาพี่เจาขอพวกท่านในยุคนี้ดูว่าพระนางตาสุมากรซึ่งเป็นผู้ขอทั้งาสนาผูสื่อข้อคานพวกะเราได้รับแต่เราทํายากนอื่นก็ดีใจเลยโอ้เราได้รับบุญในพรเจ้าโต่อไปดีใจนะโอโอ้ก่อนที่ไม่เคยบอกใบเตยได้ับบุญมีแต่บอกว่าไปถามก่อนาอก่ต่อไปไปถามโอก่ต่อไปแต่พรเจ้าพระเจ้าสมปอกักใจนะว่าจะได้รับบุญในศาสนาของพระเจ้ามาว่าสุากรดก็ยากจะไม่เกิดในยุคนั้น ทีนี Mega, ้เมื่อคุณยุคขอสมรณะโกลมเป็นเาขังเรา่ยออกออกควรแล้วก็ไปซื้อไสมมุทัยแล้วไดที่ยวใต้ด้าวพุทส่าซึ่งเป็นภาคสาขายากในตารางที่เรียนที่เราตั้อยู่ทีังนั้นก็ใตด้าวพุทส่านเนี่ยซึ่งเป็นงานของเป๋าไหลเนี่ยที่ลองโผล่มาได้ถอยทานกับพี่เจ้าในขณะที่เขาถอยทานกินกินอยู่เสมอ เจ้ระเจ้าสงทไหนใจที <c ười> ่บางอยู <ante> ่ว <ante> ่า้พระเจ้าอกผูไหนจึงไม่ได้คิดถึงเรืงการี่สุน์ผลแล้วพระเจ้าตัเองแนะนำไมได้แนะนำพระเจ้าผูามใ่สุจนเป็านที่ดใจดีใจคิดอยู่ว่าเรอพระเจ้าอก่อนบอกเราว่าเราจะได้รับบุญกับพระเจ้าพนามว่าสมณะโกดมุกโอมิโดยพระทรามผสาเนของเราตอที่บุญให้แต่วันนั้นพระเจ้าผู้ามไม่รู้บุญให้เป่ ศิบบาทีดเ้าขุนเจ้าองค์ก่อนว่าเราจะ็นลับดุลในยุคสมัยของขุนเจ้าคำวัชนาโกโลแต่ทาไมข้าเราทำดุแล้วไม่เห็นมีอะไรทำผิดพวกเราเลยก็ไ่เห็นได้รับบุอะไรเลยอย้ก็สิบบาการแลส่งเสียง้องโยหกกางมาด้วยความที่เปตอทีสิบบาทจึส่งเสียงรองหยวนอาจจพิกืนตัวให้กับขุนเาทีกษามเป็ับด้าพระเจ้าทีสาปัตภงอยู่ในภาพพิเศ ได้ิเสียงร้องโหยเกิดกองป่าสรุปโตใจขึ้นมาไม่ไเสียอะไรเสียเกลี่อมไมเคยรู้ว่าเสียเกลี่อมเอะไรเสียงอะไรเสียงันหนนี้เคนคบพมาากมันมีเสียรอหนผู้ชายเวลาการดี่ยอะไรจะมีกับกับเราหรือเปล่าคิดในใจพอคิดในใจยก็รู้ึงความรา พุทโธเป็นสมาธมภรพุทโธองค์จะสร้างดวงเตต์ต่อที้อยู่บ่าเราจะต้องไปถามพโธน่แ่เหใจก็เลยืก้วารโธแล้ไปถามพุทธเจ้าคือการไปถามพุทเจ้าพโก็บอกว่าหาพพิธจาทงกลัวเลยเปลี่ยนไว้อันใดจะไม่มีแก่หาบุพอเป็นเพียงแต่ว่าเตที่เป็นญาของพุทโธซึ่งเป็นเตปมายืยาวาแล้วไม่เรับุเลยเมื่อมาอย่างโธฟัคุณแไม่ได้รู้าไม่กเน เขาจึงเสียมาแล้สเสียกองโวยหวนว่าเราเราก็ปีญ่าแล้วเป็นมนุษย์แล้วเขาพูดจับนะว่าสาารถโง่กับผู้บาเจ็แต่ทำไมเราไม่ไดับผลเลยนั่นเราจะเรื่องปุจจัญญ์ที่นกันคือโวยหวนคือเสียมาแเพราะนั้นโง่จะไม่ตกกังวลแกายไมดีเพียงแต่โง่ลืมที่จะได้ยัดตเขาก็เลยต้องการปุจจัญง่อรย์ท่านสามก็เลยเข้าใจต การเปเท่านั้นข้าโบก็ขอที่โบสถ์เสนอพระภิสุราชนิเวศแล้วรับน้าตาอันต่างกับขาบีพันกรพรรดิข้าโบกจะได้คุณที่บุณดแก่เป็นพิษยากรเป็นอะไรที่ลายเนาะอยู่ในพระามวก็ดีใจได้ยินนำปราดีกับดับทีสันกับโต๊ะดีใจเหลืกเราได้รับควณแอนตรีพอุ่นตื่นกัน ในขาวรูปด mm ้วยโพลก็แสดงสวามคเหของพระเจาพศาเป็นรายล้อมกันอยู่เนี่ยล้อรอบลัามคิดเห็นนะอรัองครกอบคืเาระาให้กระเจ้าพิศาลเหตเหตที่ไม่จำเป็นรจ้าพิศาลเตุเป็นทกยากโงเปรตแล้วตรงนี้แ่าน้ากายใสพดูด้วยความผูวกระหายดูด้วยความพูดคปามีหน้าะโศกเสียลอยแบบนี้นี่คือวิีแห่งชีวิตหรือว่า ดวงวของผู้คนลังชีวิตไปดำลงอยู่โดยหาความยากงปากเข้าไปตอนนี้มีวิบากกรรมมาแต่ปากที่ไม่สารถกดเรต่โนีตัววบากเป็นาถึงต่าไปนะเพราะเาผู้สที่เป็อมตัวเองเองเติมเติมสะสมสะสมยากที่จะเป็นก็เลยตั้งใจจะมีวิบากที่ตัวเอเป็นอย จึงได้ก็ไปหาพระองค์กระจัเทียมสถานการณ์ขอให้พระองค์ทีนี้เราเป็นื่องราวการที่อุทิศบุญมันเยอะมากอุทิศบุญอยากให้จึงสำเร็จแก่เกิดการถีบหายว่าจอยยากอะไรเราเวาที่มีไปอยูในข้นนี้อยู่ในเรื่องของเรานี้ให้พวกเราความให้ดีและระจับใจความว่าความสำเร็จประโยชน์ในการที่ส่วนนั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรที ม่ไาเพืบรจารให้ระเจ้าสาเห็นเป็นอย่างมของตัวเองดูด้วยความตบตไป่บอกว่ายความสาครองคงคตัวเป็นเราทีต้องการซื้อไหจึงได้เห็นความต้องการเปดดูพื่อความด้วยจิตของของเต้องการอาการอต้องการน้ต้องการองจึยงยกขึ้นมา แล้วไอ้ระดองพิศายเนี่ยซึ่งจากโโพน้ำเพื่อถอยกัยกโโพนหนัแล้วรีดน้ำรวมในฐานน้ำเาไว้กับรูโคมการรีดน้ำเขาไว้น้กับรูโคมในบทนี้เาใช้คว่าตักนินตักกันหรือเว่าเขาไว้น้ำระสิโลโกการถอยน้ำาสี่โลโก้คือริดน้ำใส่ฐานให้กับรูโคม แล้วกล so Mont ่าวทำลีนน้ำนรัที่ทางเกียรตินามโภคสุวที่าโภคุณจมีความหมายมากขออุณีจงเสด็จแก่กด้ขอข้าขอญาตของพระเจ้าจงดำรงชื่อควสุินี่คือสอแรกแง่แรที่ีน้ำก่อนคำพันธี่ราณเนี่ยผูกเข้าใจ ผิด่าเป็นน้ํารว่าน้ำาหซึ่งเขามนกระิโก็คือน้าเอามาปล่อยน้ำน้าทุกภาีโอประกาเป็นภาษารีสองสัปมาจาะว่าภคกีนาบวกอุากรภกีนแปลว่าของควูราการแปลว่าน้ําที่ใช้ความบริบูรเข้ามานน้ำที่ไหลควาบริคือเอาน้ำมาความบริบูรณ์หราน้ำมาปล่อยมาตั้งต่เมื่อน้ำมาปล่อยมาแล้วตีุดสุดมากขอพูดี้ตรงสำเน็จแก่นข่าวใหญ่ที่ภยาโดุสาเ ต่อไนะออกกับอุทิศในแบบในในโยมประสูติได้กล่าวตาแบบว่าพระราชาลูกดาวลสวายนโลและอุทินะาีนั้นขวายน้ำก้าวโลกแล้วอุทิศซึ่งอความยังกลับไปเจว่าขวายแล้วต้อุทิหอการขวาย้นมอนนเจึงมีอความกลได้ว่าคาใจน ข้าพเ้นานะัคือขณะที่ได้ปลนะ่อยละอุทิศน้ำทิอันเต็มเปี่ด้ยวยดอกตัิ์เป็นสัพโงกรณีบังเกิดแก่เปรตคือเป็นพรติบังเกิดทันทีเลยคุญสำเร็จทัทีเลยในขาะที่เราปล่อยขอพร้บอบอุทิศบุญสเร็จขึ้นในขณะ น, นั้นทัทีไม่ก่อนไม่หลังเป็นสัพิเต็มเปด้วยอกิและสัโกรณีเป็นเราน น, นเห็นบุญแห่งผลทานทีเม่ต้องคุสันได้อทานขอไหว้ขอพระอง เกิดเป็นเป็นสามที่เป็นสามพลดวงเรานี้จึงลงไปสุสันพราะงรงาบเป็ต้องการนะก็หยุการหาไปแล้วลงไปสู่สัตวเราบโภน้นะ้นความรูกายริโภคน้ำนั้นดีร่างกายอ่ีร่างกายสุขสบายตัวก็มีนิสัยเอออีกขึ้นมาพอมีร่างกายขึ้นมาแล้วก็เลยต้องการอาหารพระเจ้าพิชซองากซองปากมปปมา คือเขาจะมีลักษันอยูว่าอาโป่อกจากฐานะพระราาจะรู้สึว่าโอ๊กต้องการอาโ่จากปากคือศกปพระราชาเรื่องอ๊กต้อการะป่งโศกปากคจากปากมาปังพระราาจะเลยโนมาาเข้าตากใส่ในปากของพระโขณะที่เขาได้ปากำเก่าในี่โคุณสูตรเก่าว้ย่าพระราชาอยเข้าจากมือแล้วมีถอยออกเที่ยวเกิน เดีวนี้คือเอาในตาโฟในบาเพราะตอนีคิดว่ามีความของวงตาุาเรโยนหรือคิดในใจว่าคุณี้งส้นแก่ยากของพระพุทธ้า้มีเหมาะสมขณะนั้นตั้งเองททีที่มาไว้ทางกับสุขดยกับระพเจ้าคนทังอันเป็นข้าวทิอาการทิพของทิพย์บำเพ็ญแก่เมตทันทีเวลาทำเปนปโยน์ได้ตอนนี้เมื่อทำเป็นประโยชน์นั้แล้วเป็นตอนนั้นเข้าบริโภค เ้าอยาไปทิพย์ทำงานของเท้าของปีกจะเปทิย์จนมีร่างกายมีรัศมีออกใสขึ้นมาแล้วโผล่หรือโผ่กันมาได้บ้างฮจนเสร็จสิ้นองโคาโค้งาเสร็จแล้วพระราชาเป็นเป็ด้อย่างพจ้าโค้งปะดานให้พราชาเป็นเป็ดพราชาเป็นเป็ดแล้วมีร่างกายเกิดอิ่มขึ้นมาแล้วเป็ไปหมอเดินเป็นเป็ดที่มีตะโคมกระดูกสโคเลยเห็นไหนะก็ เนี่ยอยากของเราจีเสอมาใส่สางให้พวกทารรกีมาไปเอาทาในมองตาบับมาเป็นท่าเข้ไปเป็่าเล่นีกบอลให้แกกระโโตเจาเข้าไปท่ที่คุณมาคุนี้โดนเส้นทุกแก่เป็นไ่ด่านขอกอทัพมีทมียันต์ยามโต๊ะหว่เนี่ยที่เราใช้กันเลยใช่ไหมเกินกว่นี้ครับแนี้เป็นรถี่สุด ถ้าเที่ถอยผ้าแล้วยิดนั้นเองผ้าที่บังเกิดแก่เปลนแล้วเปลนตอนนั้นก็มีผ้าสวมใส่ตามร่างกายทันทีเลยจะลงมาเป็นของที่ไปแล้วเปล่นอนั้นก็ดำงในคามความี่ได้ด้วยอสความสาราได้เหตุผลานั้นอย่างนั้นจึงมีปติเกิดออยู่ในใจว่าโอ้โหรางนั้นให้แก่ว ว่าสําเร็จแก่ยากคือการคุยไปจริงๆว่าสํ็จในอคืองรปอาในโลกาที่ลเิตีงหมายเป็นเาใจของรผู้เป็นเป็นผู้เป็นของงอยู่ในภพภูมิที่เขาอยู่เขาเานไม่มีกสด่มีการทําานไม่มีโะับไม่มี การเรียกโอนหรืมีการงานใดตามที่คาในโลกนี้ในโลกของเปรตัหนี้เมในโลกของเปรนี้ครอว่าเปรตเหล่ีรงมได้เุเพราะฉะนั้นบุคคนผุญผือานเกิส่วนให้แก่บุคคลราไปเพราะอาที่บุคคููที่แล้วย่อมเส็จเนผเป็นลส่วนมาซือองเอแก่เปรอานี้คสีมลราตร้ในโลกรสุซึ่งเป็นผลในการสอนของเราต้อสมิสูจ ให้แก่เป็นพระยาแล้วในวิธีการแบบนี้ที่โองโชวามาในแกบ่างในโลกก็วยงามไม่มีการส่วนไม่มีการทำพิธีกาไใดๆผลการก็สาเร็จแก่ยากและชีไปอใหมาที่ไปถึงเครื่องางไม่ออกมาแล้วนามาสอนข่ามวาและให้ชอรว่านำาปสุกหรือเปล่าเนื่องเพราะว่าพวกเราเวลามาสอน อยู่ในภาษาญี่นอนขอรอยู่ในแบบที่ตาตามต่อีที่รับสืบทอดกันมาในชื่อโฆษณาอกีอยู่ในรูบนีเรื่องราอกีภาษีุ่เป็นหลักกีอยู่กีที่มาที่ไปมาต่อเป็นาเป็นอย่างไรทีนี้ในเรื่องหของโฆษณาเราที่นำมาสู่การปฏิบัตเราปิบัติโฆอวิธีการเสียมากกว่าการติกับวิธีการมากนีมันทำให้เรา ไม่รู้จักเรื่องงานองที่เอาไปสร้างประโยในาบหมายถึงว่าากเราจะเอาืุ่ศเราก็ันภาคัือุศพในวันนั่โนไม่ยแต่ในเรื่องงานทำในทีบอกีางแต่ที่เราถ่ายมาเลยีตัเป็นลุเราทุกแต่ถ้เกิดเรื่องงากร ในเรื่องของการที่ระโยชน์มันจะรับแก่ยากชีวิตไปยืดน้อยากยืดแค่ไหนไม่รับประโยชน์เลยตรงนี้เองจึงเป็นความสำคัญของตากล้องสองที่จะนำมาบอกพวกเราในการอธบายของกรสร้างคามต้องการตามหลักข่าวหลักที่มในท้องถิ่นเป็นเกมอะไรตั้งดยใช้วามคิดทแล้วก็คิดว่าพวกเขาจะเข้าใจในหลักปฏิบัตินี้เกี่ยวกับการตกล้องสองมอ้าใจไหม จีใครสงตหี่อรมาบ้าามแต่ละวารีมาในเววประกาศมารองการปล่อยาลยีการประกาศมาคือกอกาีเสมี่เราสอาประกาศมาเพื่อประกาศแล้วก็ประกาศคุณที่าวาีเขาเปแกไอให้โยยเรียนชื่อาในแต่าก็ชอบการ เปของโสมเราโสมก็จะได้เอาอปการนี้แลอแบของทานเพราะว่าขอเขาก็ขอโสมหมายความเรายกของทานเนี่ยให้เป็นขอสมเขาก็โสนัคือไม่ใช่ควาอีกต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ของพิสุโสมคือไม่ใช่ของอาตมาเองอาตมาจะต้องเอาอุปการขอของโสมเนี่ยมาบริโภคเพราะถ้าหากอาตมาไม่เอาอุการขอของโสมตามที่ใกัลอาตมาบริโภคอสมนี้ไปอาตมาก็จะไม่เปลี ไปขอโดยออกโศมมาบริโภคไอแบบนี้ม uh ัินกินกินกินบเยพวกโซฟาะไคือทำไมย้อนไปออกมใหม่ว่าขอเนี้ยเป็นออกโศมพวกานสับบนคนออกมาอสกโศมพวกานซบบคือออสมพวกทประเทศไมดับข้อกับโจกแก่บผูสใดรุขนโอเปออการ์ตอยการธนาคารจีนีทานเรนทางมีผลมากมีนายสมมากถ้าต้องบอกในาารโดยกับโจกแก่บผสูงทางไม่ใช่ธคาร ถึงแาวาเราต้องการจะไหสานตานก็ตามตเราดดตาา้องดว่าไหว้แบบนี้ทาก็ไีาสาะเนี่ย่าทบอนนกงไงไงไงไง ม, มเป็นปาฏิิหรว่กากาเฉพาะาาา่สพวกเสาต่างๆเปาากาไว้ากับกหรืออึงในสานนี้นมี ม, มากกว่ า, า, าอยตันนนนนาาแต่วโรั นการก่าเรจรา้ายาที่เราไได้านเนี้ย่อคนผู้ได้ท่านเย่อบเคนี่ออะไรคืออายุาีเทวรามีอายุ่มีขนาเป็นเรื่ว่าเทวดคือสมมติว่าเทวราไดที่าไม่สูในเทวราียไวา กรทั่วไปเขาไม่ได้ต่อยสัมพันธ์พอที่ต่อยสัมพันธ์จะมีอายุที่มันจะเริ่มกว่ามีวันนั้นที่มันจะเริ่กว่าวันนั้นคือเราเสิรของสายกว่ามีความสูงอันเป็นที่เริ่มกว่ามีความสูงยื่นยาวนานกว่ามีอายุที่มันจะสว่างยื่นยาวนานกว่ามีสมบัติอัน็นที่มากกว่าคือปาร์ี้นั้นจะเริ่มก่าเที่ยงเวลาเที่ยงเวลาิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ยังเปิดตื่นลำต่อแม้มาเป็นวันรุ่งก็จะมีคนตามเริ่กว่าคนอื่นในหา สื่อต่อ pues ต่อ like ต่อ pues รุ่นแรงเท่ารุ่นได้ได้สรางเปลี่ยนใจแห่งสังคมไว้ ว่าทางที่ว่าการเป็นของโฉมทสไกมีในกทางโทได้ทกทางโก็ขอขอโมาบริโภคตามแบบีมไปอนก็ไม่กับพวกเราพเราก็สามารถบริโภคงานแต่ามกไคือตามแบบโมไปออในสถานาคนใไปบริโภคก็วขอโเป็น